ตัวระ ง, งับวิตกวิจารเป็นหลักไปเอาด้านระ ง, งับวิตกวิจาร์เกิดปีติสุขและเอกขาตาเนี่ยเอาตัวนันไตทั้งนั้นเป็นหลักแต่พอมาสำพูดชงแล้วเอาสติด้วยการตามรู้กายรู้ใจเป็นหลักแล้วก็เข้าไปรู้ปรับเปลี่ยนให้เป็นตัวรู้ขึ้นมาหรว่าเป็นธรรมวิญ ย, ยาะเมื่อปรับกายสบายก็เกิดปีติและปับใจสบายก็เกิดปัสสัิกายสบายใจสบายก็เป็นสมาธิ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 ไม่สอดที่เราจัดไม่สอดเนยเป็นโยงวิถาในการดูแลข้าวน้ำเอาปลาอาหารหาคุณมาปฏิบัติโยมซีนวล น, นะถึงแก่มรณะภาพถึงแก่ตายไปสองสามวันนี้ก็เลยว่าไปเป็นเจ้าภาพสุ